พระบัญญัติขาร้อยแผนก็พิษณีใดทำอันตรายแก่จีวงที่ก็น่าจะพึงได้ต้องอาวัตปาจิตตีเรื่องพิษณีทุลนัน